มีเด็กคนหนึ่งนะเป็นเด็กสาวชีวิต น, นี้ก็ลำบากตั้งแต่เล็กเลยเพราะว่าพ่อแม่อยากจนท่าน้นไม่พอนะอยังติดเหล้าแล้วก็ติดยาอันนี้ไม่ได้เกิดในเมืองไทยนะเกิดในอเมริกาครอบครัวแบบนี้ก็เยอะมากเด็กที่เกิดมาในครอบครัวแบบนี้นี่ก็เห็นสภาพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้ทำให้ เกิดความมั่นคงในชีวิตเลยเพราะว่าพ่อแม่นี่ก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะอำนาจของเรลาก็ดีอำนาจของยาเสพติดเด็กนี่เห็นพ่อแม่ทะลาะเ บ, บาแวงแล้วก็ตุบตีใช้กำลังกันตั้งแต่เล็กและพอพ่อแม่เมานะก็มาลงที่เด็กใช้กำลังรุนแรงกับเด็กยังไม่นับ ความยากลำบากเพราะว่าต้องอดมือ้อกินมือ้อนะเพราะพอ่อแม่ยากจนนะวั น, ว, นวันหนึ่งนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรกินอ่นะบางทีก็ต้องไปทํางานหาเงินเล็กๆลน้อยนนะมาประทังชีวิตตัวเองเพราะว่าพึ่งพอ่อแม่ไม่ได้เด็กอย่างคนนี้เนี่ยบางทีก็ทนไม่ไหวนะเนี่ยจากบ้านแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมา อยู่ที่บ้านเพราะว่าไม่มีที่ไปตอหลังเนี่ยพ่อแม่ก็แยกทางกันเขาก็ไปอยู่กับแม่ก็อยู่อย่างลำบากห น, ะนังสือทั้งหาไม่ได้เรียนนะถึงจะมีเจ้าหน้าที่สงังคมสงเคราะห์นะพาไปเรียนหนังสือก็หนีเรียนเพราะไม่รู้จะเรียนไปทำไมแล้วก็รู้สึกว่ามันเรียน เรียนก็เรียนไม่ได้ดีเพราะว่าไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมาก่อนหลนทั้งแมเอนคุณค่าของการศึกษาด้วยดังน้เนี่ยตั้งแต่เล็กจนวัยรุ่นเนี่ยนะเรียกว่าไม่มีความรู้อะไรเลยพออ่านออกเขียนได้บ้างแล้วช่วนี้ก็ลําบากตอนหลังนะเพราะว่าพอแม่ตายแม่นี่ ตายเพราะเอดนะพอติดยาเล่นยาหนักหรือบางทีอาจจะไปขายตัวด้วยก็เลยติดเชื้อเอดติดเชื้อช i v วีแล้วก็ตายเพราะเอดพอแม่ตายนี่ตัวเองกลายเป็นคนไร้บ้านเลยแต่ว่าเด็วคนนี้มีนิสัยรักดีนะไม่อยากจะให้ชีวิตลงเอยเหมือนกับพ่อแม่หรือว่าเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆ ที่ติดยาติดเหล้าแล้วก็ทรัมตัวไปในความดำมืดเป็นขายตัวหรือว่าป้นจี้อยากคิดว่าเนี่ยอยากจะหนีจากชีวิตนี้แบบนี้ก็เลยพยายามหางานทำเพราะคิดว่าถ้ามีงานทำมีเงินพอสมควรมันก็ช่วยให้ไม่ทรัมไปในวงวังวนของยาเสพติดนะ ขายยาสุดท้ายก็เสพ ย, ยาหรือไม่เช่นั้นเสพยาแล้วก็ลงไอดด้วยการขายยาหรือไม่ก็ขายตัวก็พยายามทำงานนะได้เงินเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยก็ก็พอประทังชีวิตไปได้แต่ต่อหลังก็รู้ว่าเนี่ยถ้าจะออกจากชีวิตที่ดำมืดเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งเดียวนะคือการศึกษา ม, ามาได้คิดเนี่ยก็ตอนอายุสิบเจ็ดแล้วไม่อยากจะ ลงเอยเหมือนกับพ่อแม่กลัวกลัวชีวิตที่ตกต่ำย่ำแย่แล้วก็รู้ว่าวิธีเดียวที่จะออกจากวังวนของความาดำมืดแบบนี้ได้เนี่ยก็คือการศึกษาแล้วอยู่ๆเนี่ย เ, เกิดกำลังใจนะ เ, เกิดความตั้งใจที่จะเรียนหนังสือให้ได้ตั้งเป้าว่าเนี่ยอย่างน้อยก็เรียนให้จบมัธยม แต่ว่ายุคศึกใจแล้วเนี่ยนะความรู้แทบไม่มีเลยนะเพราะว่านีจเรียนเป็นประจำนะแต่พอเธอตั้งเป้าเนี่ยว่าจะต้องเรียนให้จบมัธยมเนี่ยเธอก็เรียกว่าเกิดความพยายามนะที่จะตั้งใจเรียนหนังสือ ท, ทั้งที่ลาบากแล้วก็นิวประสักมากมายเพราะไม่มีบ้านนะต้องหาที่สุขหัวนอนนะคืนแล้วคืนเล่าเนี่ยบางทีก็ไม่ซ้ำกัน แม่แต่ที่ทำการบ้านที่อ่านหนังสือก็ยังหายยากเลยบางคืนนี่ก็ต้องไปอาศัยใต้ทุนโรงเรียนได้ถุนบันไดโรงเรียนเนี่ยในการทำการบ้านอ่านหนังสือหรือไม่ใช่นั่นก็เป็นที่หลับที่นอนแต่ก็ต้องย้ายย้ายที่ทุกวันนะที่ที่ไปบ่อยเนีคือบ้านเพื่อนและต้องไปเนี่ยนะตอนที่ดึกๆึกละพ่อแม่เข้านอนลว ถึงใจย่องเนี่ยเข้าไปนอนในห้องเดียวกับเพื่อนเช้ามืดเนี่ยก็ต้องรีบออกมาก่อนที่พ่อแม่ของเพื่อนจะตื่นแล้วว่ากลางคืนเนี่ยก็ไม่ได้นอนนะต้องทำการบ้านต้องอ่านหนังสือต้องทำรายงานแล้วต้องทำาอาวุธคนอื่นด้วยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีพื้นมาก่อนเลยลาบากก็ลาบากนะแต่ว่า ให้ความตั้งใจนะที่จะหลุดออกจากชีวิตที่ตกต่ำแย่นะให้ได้เนี่ยมันทำให้เกิดมีพลังทั้งที่อุปสรรคก็มากนะนอนก็นอนไม่พอนะแล้วก็ความรู้นี่ก็ เ, เรียกว่าน้อยกว่าเพื่อนๆและแถมว่าต้องต้องทำมาหาเงินเพื่อเลี้ยงตัว ไม่ได้อยู่บ้านอาศัยเงินพ่อแม่เนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งที่เนี่ยความยากลำบากนะหรือว่าเสียเปรียบเยอะมากแต่บอกว่าสามารถที่จะเรียนจบมัธยมได้ภายในเวลาสองปีทั้งที่เด็กธรรมดาเนี่ยต้องใช้เวลาสี่ปีน ะ, ะเด็กที่เรียนมาตั้งแต่ปนหนึ่ง ทั่วไปเนี่ยนะต้องใช้เวลา4ปีปนะีกว่าจะจบมัธยมหรือที่ว่าไฮสคูลแต่เด็กคนนี้เนี่ยนะใช้เวลาแค่2ปีตั้งที่อุปสรรคมากมายเหลือเกินนะแล้วก็เสียเปรียบเพื่อนๆ เ, เยอะแต่ไม่ใช่แค่เรียนจบภายในเวลาสองปีนะหรือเวลาครึ่งหนึ่งของคนทั่วไปนะยังแถมได้คะแนนดีด้วย คะแนนเนี่ยได้คะแนนเป็นอันดับต้นๆ น, น, นะของชั้นเลยเป็นเรื่องที่น่าสัจจันมากนะมันก็มีคำถามนะว่าทำไมเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยทั้งที่จะเรียกว่าต้นทุนเนี่ยติดลบเลยนะแต่ว่าสามารถที่จะเรียนจนจบมัธยมได้และไม่ใช่แค่จบมัธยมอย่างเดียวนะต่อหลังเนี่ย เกิดความมั่นใจมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อระดับหมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถจะเข้าเรียนในหมหาวิทยาลัยที่มีชื่ออันดับต้นของโลกเลยนะหมาหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดฮาร์วาร์ดนี่มันยากมากนะขนาดเด็กหัวดีเนี่ยจำนวนมากก็เรียนไม่ได้แต่พี่คนนี้นะชื่อลิสเนี่ยนอกจากเรียนจบมัธยมภายในเวลา ครึ่งหนึ่งของเด็กทั่วไปแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเรียนต่อข้อหม า, ายช h ยฮาวาดได้แล้วก็เรียนได้ดีนะไม่ได้ไม่ไดเ้เลิกเรียนกลางคันตอนหลังเนี่ยก็เรียนต่อระดับปริญญาเอกเลยกลายเป็นด็อกเตอร์ขึ้นมาอะไรทำให้เด็กที่นีเรียนนะไม่ตั้งใจเรียน ทำไมถึงมีความภาคเปลี่ยนพยายามขนาดนี้ได้เนี่ยอันนี้ก็เพราะว่าความตั้งใจอย่างแรงกล้านะที่จะไม่จะ ล, ะลอยตามพ่อแม่หรือไม่เป็นอย่างพ่อแม่พอเห็นโทษนะของชีวิตที่มันตกต่ำย่าแย่ติดยาติดเหล้านะแล้วนอกอ่างนั้นเนี่ยนะจุดเปลี่ยนสำคัญนะก็คือครูนะ ซึ่งเรียนมัธยมเนี่ยมีครูคนหนึ่งนะที่จริงครูหลายคนที่เดียวนะที่ให้กําลังใจเด็กคนนี้เด็กคนนี้เนี่ยยไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองหัวไม่ดีนะไม่มีปัญญาที่จะเรียนต่อได้แต่ว่าครูเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะในตัวเด็กให้ความใส่ใจในตัวเด็กแล้วก็เห็นความ เห็นแววในตัวเด็กพอเด็กพอครูเนี่ยมีความมั่นใจหรือแสดงความมั่นใจในตัวเธอนะเธอก็เกิดความมั่นใจในตัวเองว่าฉันทำได้นี่เป็นจุดที่ทำให้เนี่ยเกิดความมุ่งมั่นในการที่จะเรียนให้สำเร็จแล้วก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยาก เรื่องราวของเด็กคนนี้เนี่ยนะมันเชื่อเลยนะว่าคนเราเนี่ยแม้จะแม้จะมีทุนติดลบเนี่ยไม่ใช่แค่เสมอตัวนะติดลบเลยนะแต่ว่าอันนั้นไม่เป็นอุปสรรคนะถากว่ามีความภาคเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเพราะคนเราเนี่ยมันมีพลังนะพลังแห่งความเพียรพยายามที่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆอย่างที่คนทั่วไปนึงไม่ถึงได้ และที่สำคัญนะั้นเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นนะว่าอดีตเป็นอย่างไรเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับปัจจุบันแม้ว่าอดีตของเธอเนี่ยจะตกต่ําแย่ๆนะมีประศังมากมายเป็นอดีตที่ติดลบนะแต่สิ่งนั้นก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าปัจจุบันปัจจุบันไม่ที่มาจการกระทําในปัจจุบันเช่นมีความเพียรพยายามมีความตั้งใจอันนี้ก็ตรงกับพุทธศาสนานะว่าเนี่ย วิบางเนี่ยอันเนื่องมาจากกรรมในอดีตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับกรรมในปัจจุบันท้งกรรมในปัจจุบันเนี่ยนะสำคัญกว่าฮะกรรมในอดีตกรรมในอดีตนี่มันจะผิดพลาดบกพร่องหรือว่าเสียเปรียบอย่างไรเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับว่าเราสร้างกรรมในปัจจุบันให้ดีซึ่งต้องอาศัยความเพียนพยายามและส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัย กำลังใ จ, จกัดจากกัละยะาณมิตรด้วยแลเมื่อมีเมื่อสร้างกรรมในปัจจุบันได้ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะชุดชีวิตเนี่ยออกจากอดีตที่เดวร้ายได้แล้วก็สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงนะเพราะว่ามีอนาคตที่สดใสามากขึ้นนะัเป็นเรื่องราวของคนที่นะแม้จะติดลบยังไงเนี่ย แต่ว่าสุดท้ายนี่ก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันได้ในขณะที่บางคนเนี่ยมีทุนเป็นบวกมากเลยนะแต่ว่าไม่ได้ทํากรรมในปัจจุบันให้ดีชีวิตก็กลับตกต่ําย่ําแย่อย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยถูกรัตเตอรี่ถึงสองครั้งแต่สุดท้ายก็ลงเอยกลายเป็นยาจบนะเพราะว่าไม่รู้จักใช้โชคที่มีให้เกิดประโยชน์เพราะว่าขาดสิ่งหนึ่งนะคืออริยทรัยพย์ภายในเนี่ย ที่สำคัญกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกไม่จะติดลบแต่ถ้ามีเห็นคุณค่าของอริยทรัพย์ภายในเช่นความเพียรพยายามแล้วก็สร้างสมขึ้นมาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะนำพาชีคให้เกิดความเจริญก้าวหน้าหรือเจริญงอกงามได้